ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวรชาเรื่องปัญญาพุทธปัญญาผีโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่19มีนาคม2533ณพุทธสถานสติอโศกขอชอนท่านติตาราฟังได้นะบัดนี้ เรื่องอริยสัจเราก็พูดนะเราก็เดินตามหลักนั้นอย่างแท้จริงมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ได้เตือนกันเสมอนะว่าเราจะต้องมีโพธิปักเจธรรมหรือว่ามีมรรคองค์8มีโพชฌงเจนะมีภาคที่จะเดินบทอยู่ด้4 4ี่สคือสติปัฏฐานสสมปทาน4อิทธิบาท4จะต้องพยายามมีสติ มีการได้สงวรมีอิทธิบาทมีฉันทะที่จะทำมีวิริมีวิริยะมีฉันทะมีความยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะกระทําแล้วก็มีวิริยะอุตสาหะความเพียรอย่างแท้จริงมีหลัก4ี่มีหลัก4ี่เนี่ยที่พยายามหาวิธีการที่จะ อธิบายหรือว่ามาสอนมาแนะนําให้พวกเราจําได้แล้วก็มีสภาพตรงตามทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตราขึ้นมาให้แก่เราเราจ้องกระทําจริงมีความเพียรมีความะระลึกนะความเพียรกับความะระลึกสองอันเนี่ยสำคัญทุกวันเวลาเรามีความพยายามหรือมีความเพียรพยายามที่จะทําอะไรนะ เราเพียรอยู่หรือว่าเราพยายามในวันต่อวันในวันแต่ละขณะไม่แต่วันน่ะแต่ละขณะแต่ละขณะนี้เราจะต้องระลึกระลึกเสมอว่าเราเพียรอยู่หรือเปล่าเราพยายามอยู่หรือเปล่าเราต้องรู้ตัวว่าเราได้เพียรอะไรพยายามอะไรมีสติประญานมีสงวรมีสมบัติทานมีสังวรประธานประหานประธาน ภาวนาประทานอะไรเนี่ยเรามีลักษณะอย่างนั้นอยู่ในตัวไหมมันทําพร้อมกันไปทั้งนั้นแหล ะ, ะถ้าเราได้กระทําแล้วมันลงร่องลงรอยตรวจตราลงร่องรองรอยตามโพดชงไหมลักษณะมรรคองแปดศีลสมาธิปัญญาหรือว่าแม้แต่คิดแม้แต่พูดแม้แต่การกระทําอะไร อ, อะไรต่างๆอยู่เราได้พยายาม มีสติสัมปชัญญะได้เกิดการสั่งสมสมาสมาธิหรือไม่เรายิ่งทำเราก็ยิ่งจะชำชองเราก็ยิ่งจะชำนานจะรู้จะเกิดญาณถ้าทำถูกแล้วาตามาก็แน่ใจที่สุดนะมันจะต้องได้จริงเป็นจริงถ้า เ, าเพียร น, น้อยตกลนบ่อยๆไม่ค่อยได้ทำ ฟังไปก็จำได้หราภาษาบัญญัตพูดขึ้นมาก็ะระลึกออกหรือบางทีตัวเองคล่องปากด้วยสอนเขาก็ได้บอกเขาก็ได้ด้วยแต่ว่าตัวเองได้ใช้ทฤษฎีนั้นๆกับตนเองหรือไม่แค่ไหนถ้าได้ใช้จริงได้ปฏิบัติจริงนะได้ระลึกใจสังวร อ, อยู่จริงจริงรู้ตัวอยู่จริงๆแล้วก็พยายามปรับปรุงกายวาจาใจของตนทองตนจะคิด จะพูดจะทําการงานจะมีอาชีพมีชีวิตอยู่แต่เราเวลาแต่ละขณะตลอดเวลาเราก็มีการสังวรประทานประหานประทานงานการเราก็ทำไม่ได้ตกหลน่นเรื่องงานเรื่องการอะไรก็ปฏิบัติทําไปด้วยทํางานการไปด้วยของเราได้ทาได้จริงจริงถูกเรื่องถูกราวจริงๆหลักเกณฑ์ต่างๆที่นตนิตรวจตรา อย่างโพชงจโพชงเจตมีสติสัมโพดชงอยู่จริงหรือไม่อย่างนี้เรียกว่าสติสัมโพดชงอย่างนี้เรียกว่าท ร, รมวิจัยสัมโพดชงที่เราได้พยายามฝึกปลือให้มันแคล่องชำนาญมีสติมีธรรมวิจัยเพียนมีความพยายามที่ให้มีพยายามพยายามให้มันมีการปฏิบัติอย่างนั้นมีสภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นที่เรา แล้วมันได้ผลไหมมีปิติมีปัสสัทธิมีผลดีได้ดีเกิดความเจริญนะนจะอธิบายไปถึงขั้นซ้อนไปถึงขั้นฌานที่จะปิติมันเป็นอุปกิเลสอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึง่งถ้ามีเราก็ลดกิเลสนั่นอีกใน ส, สภาพของฌานที่มันมีปิติเป็นสภาพที่สูงไปติดปิติติดปัสสัทธิติดสุขสงบอะไรแต่แล้วแต่ ก็เรียนรู้ไปต่อมีปิติจริงไม่มีปัจสัตติจริงไหมสั่งสมลงเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิหรือเป็นสมาธิสัมโพธิชงจริงไหมจิตไปถึงอุเบกขามันมีอุเบกขาอย่างไงมันวางได้มันเฉยได้มันไม่ทุกข์มันไม่สุขได้ยังไงมันมีสภาพไหมมีสภาวะนั้นไหมเรามีการก้าวเดินอยู่ในโพธชงเจ็ดมีองค์ในการตรัสรู้ได้ตรัสรู้อริยสัจสเนี่ยแหละ มันมีองค์ในการตรัสรู้ทั้ง7นี่แหละเป็นตัวที่เราต้องรู้แจ้งเห็นจริงว่าเรามีสภาพมีอยู่ในตัวเราปรากฏแล้วเราก็รู้จร э like ิงๆเลยว่าอย่างนี <wirklich> <re wh isi simply> ้คืออย่างนี้อย่างนี้คืออย่างนี้อันนี้เรียกว่าอันนี้ละอันนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะนี้เรียกว่าธรรมวิจัยอันนี้เรียกว่าบุริยะอันนี้เรียกว่าปิติปัสธิมีสภาวะอ่านออกมีมากมีน้อยมีลึกซึ้ง มีละเอียดละออเรมีชัดเจนยังไงยังไงยังไงสภาวะอย่างนั้นเราได้อาศัยสภาพที่มันจเจริญขึ้ น, นมีปัสสัทธิมันเป็นความสงบระงับมันเป็นความจเจริญของนักปฏิบัติธรรมมันเป็นยังไงเราได้อาศัยจริงไหมมีปิติคือเราได้ดีได้จเจริญเจริญ พ, พร้อมไปทว่ามันมีมุทุภูเตกัมมณีเย ท, ทิเตอเนชะปฏเตอะไรนี่เป็นความจเจริญทั้งนั้นอะ จเจริญด้วยฌานจเจริญด้วยวิมุตต์จเจริญด้วยอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาจเจริญด้วยญาณด้วยวิมุตต์มันมีความจเจริญลักษณะพวกนี้จริงๆนะแม้แต่จะไปเปรียบเทียบกับกว่ามันจเจริญเพราะว่าเออเราเป็นคนเลี้ยงง่ายแล้วนะอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมา ง, ง่ายทําอะไรก็ง่ายจะขยันหมั่นเพียรก็ง่ายจะสั่งสรรค์อะไรก็ง่ายอยู่กับคนนั้นคนนี้อยู่ง่าย เ ง, ง่ายเป็นคนที่ไม่งองแงเป็นคนที่ไม่มีเรื่องอยู่กันประสานสามคัคคีมีภา ร, ราดรภาพาไม่เป็นคนดื้อด่านไม่เป็นคนอะไรอยู่กันกับหมู่กับฝูงอยู่กับมิตรสหายดีง่ายไม่เป็นคนมีเรื่องมีราวอะไรไม่ตัวเราเองก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนกระทบสัมผัสอะไรก็เข้าใจปรับได้ปรุงได้พัฒนาอยู่เป็นคนบํารุงง่าย เ, าเป็นคนเจริญ ตัวเราเองมีอย่างนั้น น, นี่บกพร่องกับแก้ไขไวทันเป็นมุทุภูเต αι, รู้เร็วรู้ไวแล้วก็ดัดได้ปรับได้ไวได้เร็วกรรมนิเยการงานดีขึ้นเสมอเหมาะสมขึ้นเรื่อยมันมากไปน้อยไปอะไรก็เจริญงอกงามเป็นการงานที่เจริญจริงจริงทีเตแนนอนมัน่นคงขึ้ น, นเรื่อยแข็งแรงตั้งมัน่นลงไปจนถึงไม่หวั่นไหวอะไรอันนี้ชับปัเต ลักษณะพวกนี้มีอะไรที่ให้เราตรวจสอบตัวเราจริงๆนะเป็นคนเป็นคนมากน้อยลงไปจริงไหมตรวจดูซิว่าเราเองยังมีอะไรมากอยู่อะไรที่จะลดละได้อีกทั้งวัตถุข้างนอกทั้งจิตใจที่เป็นกิเลสประกอบอยู่ลดอะไรได้อีกละอะไรได้อีกมากน้อยลงไปสันโดษมีใจพอมีใจไม่มีทยานอยากแบบโลกโลก แล้วก็กลับมีความปรารถนาดีหรือทยานอยากแบบธรรมมีความขนขวายกับปรีกักเปล่านะมีคุณภาพเป็นคนมีคุณภาพนะเป็นคนมีจิตใจนะที่ขนขวายมีบุญนะมีทานละไมนะมีศีลละไมนะมีภาวนาไม มี ee, อะไรอี l อันที่สี่อ่ะอปจยนามัยวิยาวัจมัยอ่ะอปจยอปอ่ยาวัจมัยมีความขนขวายมีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความไม่ถือตนถือตัวขึ้นมาจริงๆความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่ถือตนถือตัวไม่มีมานะเนี่ยยำแล้วย้ำอีกแต่ามายาม้ำถ้าเราถือตัวถือตนแข็งกระด้างอยู่นะเวียาวจะไม่มันก็ไม่เคยออกหรอกมันจะตื้อมันจะกระทบสัมผัสมันจะมีอะไรดีนิดๆหน่อยๆท่าแมงป่องก็ชูหางเอองอวดอ้างฤทธีใครแตะไม่ได้ใครต้องไม่ได้หรือว่ามัน ไม่สมอกสมใจอะไรมันมีมานะทั้งนั้นมันมีอัตตามันมีตัวกูของกูอะไรมากมายมันอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ลงอา่ามันยอมไม่ได้มันถือดีถือตัวประสานก็ไม่ได้การงานก็ไม่คล่องเข้ากระคายก็ไม่ได้อา่าจะทำโน่นทนํานี่จะประสา น, ะสานจะสมานจะมีอะไรอะไรขึ้นไปทั้งๆที่เรามีงานก็เยอะมีเพื่อนก็เยอะ มีอะไรต อ, อะไรต่างๆนานาที่จะสัมพันธ์สร้างสรรอะไรนี้ได้เยอะเลยนะเนี่ยจะเห็นได้พิสูจน์ได้พวกเราในหมู่ใหญ่บริษัทใหญ่กลุ่มใหญ่ไม่ตกงานนะไม่ไม่มีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่บกพร่องเพราะฉถ้าเผืวันโน้มน้อ ม, นมตนได้อัปใจ ย, ยนใหม่เกิดความไม่ถือตัวเกิดการอ่อนน้อมถมํามตนเกิดการขนขวายมันจะขนขวายขึ้นมา ควมข้นขวายความที่รู้ตัวว่าเออว่าเราจะควรจะทําอะไรจะปฏิบัติอะไรประพฤตอะไรกาลนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้เวลาที่สูญเปล่าพฤติกรรมที่จะสูญเปล่ากายวาจาใจแต่ละเวลาแต่ละขณะเนี่ยมันมีกรรมทั้งนั้นนั่งเฉยเฉยหายใจเข้าหายใ จ, ยจออกเฉยเฉยก็เป็นกรรมคิดนึกอะไรอยู่ก็เป็นกรรมเราจะเอี้ยวแขนไกวขาเราจะทำโน่นทํานี่ เป็นกายกรรมเนือจะพูดนั่นพูดนี่อะไรเป็นกรรมทั้งนั้นน่ะทุกขณะเป็นกรรมเราจะจัดแจงกรรมของเราอย่างไรมันจะมีปัญญามันจะรู้แล้วมันก็จะเข้าใจมีปฏิพาณจัดการจัดการไปเท่าไรมันก็เป็นกรรมของเรากรรมมันเป็นกุศลกรรมมันได้สั่งสมจะเป็นกรรมไรเป็นวิบากอันดี มันก็อยู่ที่ความรู้และความภาคเพียรของเราอยู่ที่ตัวเราเองจะมีบุญเพราะว่าถ้าอ่อนอนอ้อมถ่อมตนได้บุญเกิดมากมีความขนขวายมากขึ้นบุญเกิดมากก็มีการพัฒนาขึ้นทางนั้นน่ยมีสภาพที่จะปฏิบายนกันอย่างที่ท่านอธิบายกันมาว่าจะเป็นปฏิทานานาไมใช่ไหมมีปฏิทานนาไมมีปัตานาุโมทนาไมแปลว่าอุทิศ ส, ส่วนบุญให้แก ผู้ล่วงรับไปทิศส่วนบุญให้แก่เปรตหรือว่าอนุโมนโมทนากับผู้ที่ได้ดีแล้วอนุโมทนากับผู้ที่เป็นสุขปัตตานุโมทนาใหม่เราจะไปพูดเป็นตัวตนมันก็เป็นตัวตนเราจะพูดเป็นตัวเขาตัวเรามันก็เป็นตัวเขาตัวเราถ้าเราจะอธิบายเป็นปรมาทิตย์แล้วมัน ปฏิทานทาไมก็คือเราได้โปรดเปลิดเราได้เกิดรู้จักเปรดิดเปริดที่ตัวเรานี่แหละเป็นตัวสําคัญแล้วเราก็ได้มีบุญให้แก่เปรดิดให้เปริดในตัวเราเนี่เกิดสภาพเจริญขึ้นมีบุญธําระบุญญาในกฐธรรมระได้ทําให้เปริด คือหมายคำว่าตายจากความดีเปรตนี่ตายล่วงรับไปหรือตายกลายเป็นเปรตนั่นเองตายจากความดีได้เกิดใหม่ได้รับส่วนบุญก็คือได้เกิดได้เจริญได้ดีขึ้นนี่เป็นเนื้อหาของปรมาธิแท้ที่ปฏิบัติได้พิสูจน์ได้ พิสูจน์ได้จริงๆอาจจะบอกว่าอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตที่ล่วงรับไปแล้วที่ตายไปแล้วนี่ยนาะพูดกันให้ตายยังไงมันก็ไม่เคยรู้เรื่องหรอกเอาล ะ, าละคนที่มีปัญญาแค่นั้นก็ว่ากันไปก่อนจะเป็นตัวอะไรจะไดอธิบายกันอย่างบุคลาธิฐานทําไปให้คนนั้นคนนี้คนตายอะไรก็จางที่เขาทาไปก็ ท, ปทําไปเถอะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วแล้วเราก็ทําให้พิสูจน์ให้เห็นได้ตามพระพุทธเจ้าในพิสูจน์ทันตาเห็น พิสูตรรู้ได้เอฮิปสิโกท้าท้าให้พิสูจรได้เสร็จแล้วเราก็ได้ดีขึ้นม า, นาก็มีปัตานุโมทนาใหม่มีการยินดีในส่วนบุญที่เขาได้รับก็คือยินดีในตัวเองนี่แหละเห็นเปรตรู้เปรตแล้วก็เจริญขึ้นมาจริงๆแล้วก็ยินดีเมื่อเราได้ดีจริงๆมันมีสภาพพวกนี้จริงไหม ที่จริงมายะมายังหรือไม่เนี่ยมันเป็นตัวของตนไม่หรือมายะเนี่ยมายังอันเป็นเราไม่ใช่อื่นหรอกตั้งแต่ทานนมามไม้ศีลละไม้ตนเองนะั่นแหละมีทานอันเป็นเราเนี่ยแหละศีลลไมยภาวนาไมา้อัปจายะนำย้ำไมปฏิทานนาำไ ม, ว, ะะมออวัยาวะจำไม้มีเราเท่านั้นอันเป็นเราเท่านั้นลมยะมายัง ไม่ตัวมายะนี่ยอันเป็นตัวเราไม่ได้หมายความอันอื่นหรอกโปรดเปลก็อันเป็นตัวเรานี่แหละนะแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เราได้เราเป็นเพราะพฤติกรรมที่มันเป็นบุญทั้งหลายพวกนี้เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติได้เสร็จแล้วเราก็ได้ฟังธรรมก็เป็นบุญเราได้เทศนาก็เป็นบุญนะ มันมีการฟังทำธรมธรมสวนสไม่มีธรรมเทศนาใหมซึ่งเป็นบุญเป็นบุญข้อที่มาหมดถึงครั้งถึงคราวได้รับฟังธรมรมตรวจสอบสิ่งที่เราได้ประพฤติธปฏิบัติได้เราได้เรียนโดยเฉพาะหลักใหญ่ๆสาคัญคืออริยสัจสีซึ่งเป็นตัวหลักของศาสนาแท้ๆอันประกอบไปด้วยวิชีวิตที่มีอยู่ประจาวัน อริยสัต ส, สีไม่ได้ห่างไปจากชีวิตประจำวันอริยสัต ส, สีก็คือเรื่องของมนุษย์ธรรมดานี่เองแต่มนุษย์ธรรมดาที่มีวิชาความรู้มีวิชาไม่ใช่อวิชามีวิชารู้ทางที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์รู้ทางเจริญรู้ทางประเสริฐ จ, จะเป็นอริยะชีวิตจะเป็นอริยะชีวิตเดินไปอยู่ตลอดเวลา สู่ความเป็นอริยะเดินทางจเจริญขึ้นเรื่อยประเสริฐขึ้นเรื่อยไม่ได้บกพร่องแม้แต่ทางโลกกรรมการงานคุณค่าอะไรอะไรต่างๆนานาเหมือนมนุษย์โลกเขารังสัน์อยู่ในโลกไม่ได้เป็นคนเสียหายทำลายอะไรเลยเป็นคนจเจริญในสภาพของโลกเขาก็จเจริญสภาพของธรรมะก็จะเจริญ เราต้องพิสูจน์นีทฤษฎีพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่เป็นเอกท่านตรัสรู้นี่ยเป็นไปจาคนธรรมดาจะมาค้นพบสูตรใต่สูตรหนึ่งได้เป็นสูตรตืนเต้นสูตรอะไรแต่ไรก็ค้นพบในโลกนี้เป็นสูตรวิทยาศาสตร์เป็นสูตรน้นสูตรนี่อะไรต่างๆนานาก็ว่ายิ่งใหญ่สูตรแล้วก็ทําให้เกิดความเจริญอะไรก็ตามใจเถอะในโลกก็ว่ายิ่งใหญ่รู้ยากเรียนยากสูตรย่นย่อลงมาเหรื้อไม่กี่คำแม้แต่ อย่างไอนสไตน์เลือตัวอักษรสามตัวแค่นั้นเองอีเ e, ท่ากับเอกัังสองแค่นั้นเองแต่ยิ่งใหญ่ยากเรียนยากขนาดวัตถุโลกแบบโลกโลกเขาก็เรียนยากแล้วส่วนของพระเจ้า อ, อริยสัจสีหรือมรรคองคปนี่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรอกออไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเป็นเรื่องที่ข้ามพบข้ามชาติเป็นเรื่องที่ไม่รู้กี่กับกี่กัน เป็นเรื่องที่เราว่าเป็นสุดยอดของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องเรียนรู้และพิสูจน์กันให้ได้จริงๆคนเรียนรู้ที่เคยยกตัวอย่างเรียนรู้อย่างสูตรไอน์สไตน์เนี่ e เท่ากับ mc กำลเรียนรู้เข้าใจมุมเหลี่ยมทําแบบฝึกหัดเอาไปสอบได้ป ร, ริญญาเอกกันมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้ทําเรียนเยอะเรียนรู้เข้าใจแต่ไม่ได้ไปลงมือปฏิบัติลงมือทําเอา e เท่ากับ mc กำงสนี่ไปใช้ให้มันมีผลผลิต ให้มันมีผลงานขึ้นมาจริงๆไม่กี่คนหรอกเรียนมาเป็นแสนเป็นล้านคนเอาไปทำจริงๆเป็นประโยชน์จริงๆไม่กี่คนเรียนกันไปยังไงเป็นความรู้เรียนมรรคองแปดก็เหมือนกันเรียนอริยสัจสี่นี่ก็เหมือนกันเรียนกันไม่รู้กี่ล้านคนแต่เอาไปทำเลยจริงๆให้มันมีมรรคมีผลให้มีผลผลิตให้เกิดคุณค่าแก่มนุษยชาติ แกสังคมประเทศเอาไปปฏิบัติจริงๆไม่กี่คนหรอกเออเอามาทําให้มันเกิดผลจริงๆเลยเป็นโลเป็นพายให้มันปีน้ําเนื้อน้ําหนักอะไรให้มันมีสาระสัจจะออกมาเป็นผลจริงๆเลยจนกระทั่งเกิดหมู่เกิดกลุ่มจริงๆเกิดกันอย่างที่เรียกว่าเรียนกันจริงๆพยายามกาชับกาชากันจริงๆให้ปฏิบัติให้ประพฤติให้มีผลผลิตเหมือนกับเรามีโรงงานมีบริษัท มีบริษัทอริยะสัตตีเนี่ยบริษัทอริยะสัต์4จำกัดตั้งอย่างบริษัทดีไหมจดทะเบียนเลยบริษัทอริยะสัตตีจำกัดมีจุดมุ่งหมายผลิตคนที่ได้มรดกได้ผลออกไปสู่ตลาดเราจะขายออกไปเนี่ยผลิตคนที่มีอริยะสัตตีเนี่ย ผลสินค้านี้ให้แก่สังคมประเทศจัดส่งไปขายเมืองนอกเลยผลิตได้แล้วเรียบร้อยอขายต้องการคุณภาพระดับไหนถ้าสวัดาบันราคาถูกหน่อยอส ก, กิทาก็แพงขึ้นอนาคาก็แพงมากกันนั้นอะระหันยิ่งแพงใหญ่อระรหันที่มีปฏิสัมพิทาญาณยิ่งแพงขึ้นยิ่งเอาล ะ, ะมีอภิญยาก็แพงส่งไปขายประเทศไหนจะซื้อมัง่งหรือว่าสังคมไหนจะซื้อมัง่งดีไหม บริษัทตั้งบริษัทใหม่เอามันเป็นจริงๆเรามีบริษัทเนี่ยบริษัทมีอันนี้แหละเป็นสินค้าเป็นสินค้าที่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมมากมันสอดซ้อนอยู่ในตัวเพราะว่ามันมีทั้งงานของโลกทํางานของโลกได้แต่เป็นมนุษย์ที่ได้รับการผลิตมาจากทฤษฎีของพระพุทธเจ้ามันได้จริงไหมเป็นจริงไหมอาตมาเห็นอยู่นะว่ามันเป็นจริง มันได้จริงมันได้แค่นี้นะบริษัทที่ว่าเนี่ยอาตมาก็เอาสูตรของพระพุทธเจ้าอจิฤสตีของพุทธเจ้ามาผลิตมาตั้งบริษัทนะแล้วก็ได้เป็นบริษัทอย่างเงี้ยผลิตออกมาได้เงี้ยมันยังไม่ดีเท่าไหร่เราสินค้าเราคุณภาพก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่อาตมาเห็นว่ามันถูกถูกต้องตามสูตรของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาผลิตออกมาเนี่ถูกนะบริษัท ข้างทางบริษัททำปลาต้งโกทอดปลาต้งโกข้างทางเนี่ยบริษัทมันยังไม่ใหญ่ไปโตอะไรหรอกนะถูกคู่แข่งจะเราก็ไม่ได้ไปแข่งด้วยหรอกนะจริงก็ตั้งแต่พูดว่ามันจะมาตั้งบริษัทถอดปลาต้งโกขายนี่ก็พูดออกมาก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปแข่งไปขันอะไรเราก็บริษัทใหญ่เรารู้อยู่ว่าบริษัทใหญ่นั้นสูตรเพี้ยนแล้วเราก็เห็นว่าไม่ถูกต้องเราก็ไม่เอา อยู่ด้วยไม่ได้ทําทำแบบนั้นมันมอมเมาประชาชนแล้วเราก็มาตั้งบริษัทหรือว่าพยายามที่จะผลิตปาทงโก๋ตามสูตรที่เราเชื่อว่าถูกต้องนี่ก็ผลิตมาได้ขนาดนี้ก็ได้นะอาตมาก็ว่าได้ปาทองโก๋อยู่ได้ผลผลิตอยู่ก็ดีขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าก็แหมมันยังไม่ถึงที่สุดอะไรสินค้ายังไม่ถึงสุดยอด สินค้ายังไม่ดีเยี่ยมยังไม่แต่มันก็เป็นไปนก็จเจริญอยู่ดําเนินไปอยู่มันสัมพันธ์กันเกื้อกูลกั น, นไปเรื่อยๆดําเนินกันไปเรื่อยๆหลายคนก็คงรู้ดีว่าเออตัวเองก็มีมีสภาพที่พัฒนาขึ้นมีสภาพที่ดีขึ้นเข้าเข้าหลักเข้าเกณฑ์เพราะให้ตรวจสอบเสมอและพยายามสำนึกสานึกเสมอสํานึกดีนี่แหละ สำนึกว่าเอเรเราอยู่ในสภาวะที่มันดีหรือเปล่านะมันขี้เกียจมันไม่เอาทานมันปล่อยปละละเลยมันไม่มีขมันมันไม่กำชับตัวเองมันไม่เพียรให้แก่ตัวเองแล้วมันก็ไม่มีองค์แห่งการตรัสรู้สติมันก็ตกมันไม่เพียรที่จะเป็นเพียรโพชฌงมันไม่เป็นวิริยะวิยะสัมโพชงมันเป็นเพียรไปอันอื่น เพี้ยนจะต้องไปทำอะไรให้เป็นเป็นผีไปส่งเสริมผีมันก็เพี้ยนไปโน่นมันแวะมันไม่ต้องเพี้ยนหรอกเพราะมันง่ายเหลือเกินความเพี้ยนนั้นมันง่ายเหลือเกินมันจะทำตามที่กิเลสมันบอก ตามกิเล่มันต้องการนะมันง่ายมไม่ต้องเพียนอะไรยากเลยไอ้จะพยายามจะเพียนมาให้มันเข้าหลักเข้าแกนเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ให้มีสติสัมโพชงธรรมริจยะสัมโพชงแล้วก็ปฏิบัติเข้าหลักละเอียดลงไปมีสติปทานมีสมปทานมีอิทิบาทจริงๆให้สั่งสมอินทรีย์พะละจริงๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยเข้า ก็ต้องรู้ตัวว่าเออเราทำเนี่ยมันยังไม่เข้านะมันยังเบาบางมันยังห่างไม่เคารองเขาอขอรอยก็ตรวจจริงๆพยายามให้ตัวเองเข้าอยู่ในทางเดินอยู่ในทางนี่ว่ามักได้ก้าวหน้าได้เดินจริงๆะได้ก้าวเดินมีความเป็นไปดำเนินไป เรียกว่าสุขโตดาเนินไปจริงๆสมัคโตเป็นผู้ที่ดาเนินชอบสมัครโตดาเนินไปดีจริงๆถ้าเผื่อว่าไม่แล้วมันก็ไม่อยู่นั่นแหละไม่จะมีแต่ภาษาถ้าเผื่อว่ามีมันก็มีอาตมาทำอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นบุญเทศนาอยู่นี่ก็เป็นบุญตัวก็จเจริญเทศนาก็ทำให้เราจเจริญได้ ฟังทำก็ให้เราบรรลุธรรมได้ ม, มีธรรมสวรรณยมมีธรรมเทศนาใม่มีทิฏฐุชุกรรมมีทิฏฐิทิฏฐุชุกรรมรวมแล้วก็ทั้งมีความเห็นทั้งมีการกระทาตรงมีการทำดีปฏิบัติ ด, ดีทั้งนั้นแหละทิตฐุชุกรรมรวมแล้วก็ทั้ง9ก้หลักทั้งหมดนี้ดำเนินอยู่ตลอดเวลามีการได้สั่งสมตัวเองลดความโลภ มันจึงเกิดทานใหม่ตัวเองลดความโลภเกิดทานใหม่ตัวเองปฏิบัติขัดเกลาอธิศีนเกิดจริงอธิจิตเกิดจริงอธิปัญญาเกิดจริงมันจึงเกิดศีลนใหม่เกิดภาวนาใหม่สีนก็เจริญเป็นอธิศีนขัดเกล้ากายวาจาขัดเกลาใจก็เป็นอธิจิตจนกระทั่งเกิดอธิปัญญาเกิดญาณเกิดปิมุตติมันก็เกิดภาวนาใหม่มันเกิดผลภาวนาก็เกิดทําให้เกิดผล เกิดมรรคผลไม่ใช่ผลธรรมดาเกิดมรรคผลตลอดเวลาเป็นบุญตลอดเวลาแล้วเราเองเราก็ลดกิเลสซ้อนเองมีอัปจายนามัยมีว ย, ยาวัจจะมัยมีความขมีขมันขนขวายเพิ่มเติมขึ้นจริงๆไม่ใช่ยิ่งเฉยพิสูจน์ได้เลยสภาพพวกนี้มันยิ่งเจริญมันยิ่งอ่อนน้อทมทำตนมันยิ่งเจริญมันยิ่งยอมได้มันยิ่งเจริญมันยิ่งไม่จะได้ไปปัทะ มันยิ่งเจริญมันมันยิ่งไม่ไปแข็งกระด้างมันยิ่งเจริญมันก็ยิ่งสุภาพอ่อนโยนเข้ากับใครก็ได้ดีขึ้นมันยิ่งเจริญมันก็ยิ่งสอดประสานโดยเฉพาะยิ่งเข้าในสภาพที่มันรวมกันน้าไปหาน้าน้ามันไปหาน้ำมันไอ้สูตรไหนนะที่ผ่านมาเข้ากันได้โดยธาตุเข้ากันได้โดยธาตุมันจะเข้ากันได้โดยธาตุมันเข้ากันจริงๆนะ เข้ากันได้เราก็จะต้องไม่พาซื่อจนกระทั่งว่าเอ๊ะทำไมเราเข้ากันได้ไม่เข้ากันได้กับเทระสมาคมอะเอามันจะไปเข้ากันได้อย่างไงแล้วกับเทระสมาคมก็ในเมื่อเทระสมาคมไม่พยายามจะเข้ากับเราเลยมีแต่ให้ไม่คบคุณด้วยซ้ําไปประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ให้มาคบคุณกับเราไม่ได้พยายามจะตั้งหน้าตั้งตาจะมาประสานเลยนี่จะจะทะเลาะวิวาทจะแยกจะแตกแล้วมันจะไปเข้าได้อย่างไง แล้วเขาก็ไม่ปรับความรู้ความเห็นไม่พยายามปรับปรุงไม่พยายามลดตัวลดตนไม่พยายามจริงๆมันก็เข้าไมา่ได้แล้วมันก็จะต้องเป็นสภาพสองอย่างแน่นอนธาตุของเขาก็ธาตุจะให้ธาตุกุศลไปเข้ากับธาตุอกุศลมันก็ไม่ได้เอาธาตุทุจริตไปเข้ากับสุจริตมันก็ไม่ได้ธาตุสุจริตมันก็ต้องเข้ากับสุจริตธาตุทุจริตก็ต้องเข้ากับธาตุทุจริต มันแน่นอนแต่เรามื่อบนสูงขึ้นแม้เราจะเป็นสุดจริตสุดจริตนี้ไม่ไปโกรธไปเกลียดทุจริตมีแต่จะช่วยกันมีจิตเมตตาโปรดเปลดจะบอกเปลดนอกตัวกับพวกนี้แหละโปรดเขาช่วยเหลือเขาแบ่งส่วนบุญให้ได้ก็แบ่งส่วนบุญให้ได้เมื่อเป็นเปลดที่มันเห็นและละเป็นเปลดที่มันจะช่วยได้ ปรัชญปรัชญาตัวชีวกรเปลตมีองค์ประกอบสมบูรณ์พร้อมแนละ้วคือจึงจะรับส่วนบุญนั้นได้เขาเรียกว่าเปลตที่รับ ม, มีองค์ประกอบพร้อมที่จะรับส่วนบุญได้จึงจะรับได้ก็จริงแล้วก็ช่วยกันไปทํากันไปโดยเฉพาะความจริงที่ใจของเราเนี่ยเราโกรธเราเกลียดกันจริงๆอเหรอจะโกรธทําไมจะเกลียดทําไมจะเกื้อกูลกันให้ได้นะ เกลืกูลคนไกลเสร็จแล้วคนใกล้ก็ไม่เกิดกูลเข้ากันไม่ได้มันก็แย่อในในนี่แหะใหม่ได้ตัวในในนี่แหะมันโกรธกันมันเกลียดกันมันชังกันเออเราก็มาดีกันคนเราไม่เฉ่น้อยๆยได้ดีกันมาไม่ใฉ่น้อยๆยมีเชื้อของพระพุทธเจ้ามีเชื้อของพ่อมีเพื่อเชื้อของสมเด็จพ่อกันมากันเป็นเลือดนี้แล้วแล้วยังจะมาแ ง, ง่งแง่งแง่งกัน มาทะเลาะวิวาดอะไรกันมาขัดมาอะไรกันพยายามพยายามเข้ากันให้ได้ประสานกันให้ได้สมานกันให้ได้อยู่ด้วยกันให้ดีเกื้อกูลกันมีเมตตามันต้องฝึกจริงๆนะมันต้องพยายามก็ทําจริงๆไม่ใช่ฉั่งมันชั่งมันฉันทําไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้หรอกตลอดกาลนานจะไปทําอะไรได้มันต้องทําให้ได้จริงๆพยายามภาคเปลี่ยนนี่เป็นงานสําคัญของชีวิตเลยนะ ม่ใช่ชีวิตธรรมดาชีวิตต่อเนื่องไปอีกกี่กับกี่การกรี่ชาติก็ตามมันเป็นงานที่จะสั่งสมเป็นกรรมทายาโทเป็นมรดกเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ของคนไอ้เงินทองเพชรนินจินดาไม่ใช่ทรัพย์ของคนเราไม่ใช่ทรัพย์ของมนุษย <c oughs> ์เป็นทรัพย์ของผีถ้าจะว่ากันไปแล้วไปหลงมากก็ยิง่งมันเดือดร้อนมากมันไม่ใช่ทรัพย์ของคนที่แท้ ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นอริยทรัพย์อะไรถ้าเรารู้เป้าหมายของชีวิตที่ชัดเจนรู้ว่าเกิดมาเป็นคนแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะควรจะสั่งสมอะไรควรจะภาคเพียนสแสวงหาอะไรแล้วก็สแสวงหาได้ธรรมะเป็นลาบเกิด ปฏิลาโภเป็นราบของเราแล้วหนอปฏิลาโภเกิดธรรมะปฏิลาโภเป็นราบของเราแล้วหนอที่เรามีธรรมะมีอะไรแต่ใดเกิด น, นี่เป็นราบของมนุษย์จริงๆเป็นทรัพย์ของมนุษย์เป็นสมบัติของมนุษย์แล้วมันก็ไม่ตกหล่นไปจากกรรมการงานที่โลกเขาทําอยู่แล้วก็ทําถ้าเข้าใจธรรมะของพระเจ้าแล้วไม่ใช่ไปที่นั่งหลับหูหลับตาอยู่อย่างเดียว เราจะฝึกฝนบ้างเราจะนั่งหลับหูหลับตาบ้างก่อนนั่งอยู่ที่นี่ก็บพยายามทาเจโตสมถะภาคเย็นก็ทำกันอยู่เสมอสนใจมัง่งไม่สนใจมัง่งฟังไปแล้วบางที ก, งก็เอียงเอียงบอกเอออาตมาพูดนี่ก็พูดแต่ว่านั่งหลับหูหลับตามันก็มเหมือนกับไปพูดเย็ดยามดูถูกแต่มันก็เป็นอุปการะของผู้ที่จะศึกษาเป็นแต่เพียงพูดให้เห็นเชิงเท่านั้นว่า อย่าไปสุดโต่งไปจะเอานางหลับหูหลับตาจนกระทั่งเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าสิ่งนั้นเป็นทฤษฎีพระพุทธเจา้ามันไม่ใช่มันเป็นบทบาทลีลาการงานอันนึงหรือมันเป็นภาคปฏิบัติอันนึงที่อนุเคราะห์อุปการ ะ, ะทําได้คนดีทําให้มันเกิดผลเกิดประโยชน์มันไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจอะไรแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่านั่นเป็นทางเอก นั่นเป็นประตูสำคัญเป็นสูตรสำคัญเป็นวิธีสำคัญถ้าไม่ใช่อริยสัจสี่แล้วไม่ได้ไม่ไม่เข้าทาหรือทางปฏิบัติที่แท้ก็มรรคแปดหรือพธดชงหรือโพธิปักเกย่ทำสรุปแล้วไม่นอกไปกว่านี้และสมาธิก็ซ้อนเชิงจะบอกว่าสมาธินี้ด้วยกว็เอาบั้งอย่างที่ว่านี่ศึกษากันไปฝึกฝนกันไป เราเป็นนักศึกษานะนักศึกษาเป็นชัดชาตินะไม่ใช่จะจบง่ายๆนักศึกษาจริงๆภาคเพียรปฏิบัติทําแบบฝึกหัดอบรมฝึกฝนจริงๆไม่ใช่เรื่องเลน่นเป็นเรื่องของชีวิตทั้งชีวิตเลยแล้วเราก็ได้ผลได้ประโยชน์ขึ้นมาจริงๆมันถ้าผอว่าเราศึกษาไปแล้วนี่มีภาษาอะไรต่างๆนานาหลักอะไรต่างๆนานาไม่ใช่เราจําได้แต่ตัวหนังสือเราเอามา ตรวจสอบเปรียบเทียบว่าเรามีสภาวะเรานั้นจริงไหมเราก็จะรู้ตัวเราว่าเจริญจริงหรือไม่เจริญจริงเราเป็นนักปฏิบัติจริงหรือไม่มีสภาพเกิดจริงหรือไม่เราก็จะรู้จริงๆไม่จะคนปล่อยเ ป, ปล่าได้ศึกษาไปแล้วก็ไดแต่ตัวหนังสือทุกวันนี้เก่งกันทั้งนั้นตัวหนังสือพกพันขบคิดรู้จําจี้จาใจกันขนาดนี้สําหรับพวกเรา อาตอมาจำจีจำ้จาใจพูดซ้ําพูดซากอยู่ขนาดนี้แล้วพวกเราก็ได้ขนาดเนี้ได้มั่งตกหล่นมั่งได้มั่งตกล่นมั่งวันวันหนึ่ง12ชั่วโมง24ชั่วโมงเนี่ยเรารู้ตัวทั่วพร้อมเราได้ปฏิบัติประพฤติได้ชํานาญติดต่อต่ อ, ตอเนื่องกันขนาดไหนแล้วมันเป็นโพดชงไหมเป็นโพธิปักคีย์ธรรมไหมที่เร า, ามีลักษณะของโพธิปักคียธรรมชัดๆวันหนึ่งวันหนึ่งได้กี่นาทีได้กี่ชั่วโมง รวมแล้ววันหนึ่งได้เวลาสักเท่าไหร่ลรคิดดูสิที่อื่นเขาไม่ได้เข้าใจถูกเรื่องด้วยออกนอกเรื่องนอกทางด้วยไปในนในในไหนแล้วม่าปฏิบัติอะไรได้และปฏิบไไัติอย่างที่ว่านี่เข้าหลักโพชฌงเข้าหลักโพธิปัจเรยธรรมเนี่ยมันมีสภาพเจริญจริงไหมมันเป็นสุขโตเป็นสมักโตดำเนินไปชอบดำเนินไปดีอยู่ในอริยมรรค เป็นมรรคที่เราสั่งสมจริงไหมเป็นอริยทรัพย์มีบุญจริงจริงมีทานนไมมีศีละไมมีภาวนาไมใจเราเนี่กลายเป็นผู้ที่จะให้นะกลายเป็นผู้ที่ลดความโลภอ่าเป็นผู้ที่ให้แม้กระทั่งตัวตนเนี่ยถือดีถือตัวมีมานะมีอัตตานี่ก็ให้ได้ละออกได้ไม่แข็งกระด้างอ่อนลงไปอ่อนสุภาพอ่อนโยนลงไปไม่ใช่อ่อนแอนะ กิเลสอ่อนลงอยอมลงไม่ใช่ดื้อดึงดื้อด่านแข็งกระด้างอยู่อย่างเก่าอยู่นั้นแหละตีไม่แตกสักทีไม่ใช่นะอ่อนได้ยอมได้นะะมันมีให้ได้จริงๆมันเป็นสภาพธรรมะโดยยิ่งได้ให้คุณค่าคุณธรรมไม่ใช่เป็นแต่วัตถุเงินทองข่าของเท่านั้นที่จะเป็นทานมีธรรมทาน เอากิเลสออกนี่แหละเป็นธรรมทานตัวสาคัญละ่ะเอากิเลสออกนี่เป็นธรรมทานตัวนนแน่แท้เลยล่ะและ้วมันจะสมบูรณ์ไปทั้งหมดนะมีวัตถุทานมีอะไรทานอีกนะมีอภัยาทานนะไม่เกิดมาเกิดลดความโลภความโกรธความหลง จากอภัยทานนั่นแหละเป็นเนื้อตัวแท้ของธรรมะนะไม่เกิดพิษเกิดภัยกับมนุษย์โลกมีแต่คุณมีแต่ค่ามีแต่ประโยชน์นะอภัยทานแล้วก็มาเป็นธรรมะทรงสภาพนั้นเป็นหมดเป็นทานเราก็ได้ทได้มีทานมีทานนมายัยมีชีวิติตเป็นทานจริงๆวันหนึ่งคืนหนึ่งเราได้ทานอะไรเราได้ลดตัวประมัดนะได้ลดกิเลส ในลดกิเลสจากจิตใจจริงๆเลยเป็นคนที่ลึกซึ้งซ้อนเชิงไปไเรื่อยๆ เ, ออเราเจริญมีฐานลำใหม่มีศีลละไม่ศีลเราก็สูงขึ้นสมบูรณ์ขึ้ น, น เ, ลเลเคข่งได้ขึ้นจริงๆเลยนะมีผลมีภาวนาไม่มีผ ล, ม, า ม, า ม, ผลมักผลที่จริงกับบุญกิริยาวัตถุสามนี่แหละเป็นมีบุญกิริยาวัตถุตัวหลักๆตัวภาคปฏิบัตินอกนั้นก็องค์ขยายทั้งนั้นแหละ จะเป็นอปจายานามัยเวยยวัจจะไม่มันก็เป็นองค์ขยายตัวเราอิ่งตัวตนลดน้อยลงก่อนอปจายานามัยก็ทานตัวตนทานอัตตามาณะลงไปทานความขี้เกียจก็คืออัตตามีความขนขวายขยนันมันเพียงขึ้นก็เป็นอัตตาทั้งนั้นแหละลดอัตตาทั้งนั้นแหละลดตัวตนเป็นผู้ที่ไม่ถือตัวถือตนเป็นผู้ที่มีบุญมีคุณมีค่ามีประโยชน์ศิสระ ไม่อาจจะมาว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแต่คนเราที่มีอัตตาขี้เกียจถือดีไม่เสียสละไม่เกิดคุณเกิดค่าไม่สร้างงานไม่เป็นงานไม่ทํางานไม่ขยันมั่นเพียรไม่มีสมรรถนะไม่ขนขวายขึ้นมาไม่ภากเพียรขึ้นมานะมันเป็นตัวตนทั้งนั้นแหละตัวกิเลสทั้งนั้นแหละถ้าเราแก้ไขปรับปรุงได้แล้ว มันจะได้โปรดทั้งตนมันจะได้โปรดทั้งผู้อื่นมันจะเป็นปฏิธานาไมมันจะเป็นปัตานาาุโมท น, น, นาไหมา่ที่จริงจริงๆเลยเสร็จแล้วสุดท้ายก็เหลือแต่ธรรมะเท่านั้นแหละจะมาธรรมเทศนาหรือว่าธรรมสวัณน า, ม, ามันก็มาแสดงกันสอนกันอธิบายกันคนสอนก็ไปธรรมเทศนาไมาคนฟังก็ไปธรรมสวัณนามาเท่านั้นเองสรุปแล้วมนุษย์โลก สอนกันต่ อ, อคนสอนได้ก็คือคนที่เป็นได้แล้วมีคุณอนสมควรก่อนแล้วสอนผู้อื่นจะได้ไม่มัวหมองตั้งตนในคุณอนสมควรก่อนแล้วก็คอยสอนผู้อื่นจะไม่มัวหมองก็ทั้งนั้นเป็นอย่างงั้นคนได้รับต่อทอดกิดจนกระทั่งตนเองเกิดตนเองเป็นอีกก็ไปสอนคนอื่นต่อไปอีกเป็นทางถูกเป็นทิฏฐุชุกกรรมเป็นการกระทําที่ถูกทางที่ตรงทางที่ถูกต้องหมดทุกอย่าง ความเห็นถูกการลงมือทาถูกเป็นความถูกต้องที่ตรงปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงจริงๆตลอดมีตบุญเกิดอย่างนี้แหล ะ, ะมันมีสภาพจริงไหมหรือว่าทองได้แต่แค่ตัวหนังสือนังหาเพราะนั้นทุกอย่างมันก็ออกมาจากอริยสัจว์4เท่านั้นแหละขยายความไปหมด8 000, 4, 000, ป0 0มี่พันพธรรรคัานก็ ขยายมาจากอริยสัจสี 4, เท่านั้นแหละซึ่งเป็นเป้าหมายหลักเพราะงานการอะไรอื่นๆความสามารถอะไรอื่นๆจะต้องมีต้องเป็นนะเพราะเราก็มีงานมีการมีเครือขา่ายทำน้ทนทำนี่มีกิจกรรมกิจการอะไรต่างๆนานาเนี่ยขยับขยับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเราผู้ที่เป็นผู้นำก็คือมีขมันอย่างน้อย ก, ก็เป็นคนค้นคว้าเป็นคนคักกปลอก อยาเป็นคนเลี่ยงคนหลบนักเป็นสมณนะเป็นผู้บวชแล้วรู้ว่าเป็นผู้ที่ดีอยู่ในฐานะวันนะที่หนึ่งก็พยายามผู้ที่ทำงานทำการรับผิดชอบมากมาอยู่ในฐานะผู้บริหารฐานะหัวหน้าฐานะผู้นำฐานะนักรบนักบุกเบิกฐานะนักรบนักบุกเบิกก็พยายาม ใครที่จะทําหน้าที่เปนได้ถึงขนาดนั้นก็รู้ตัวแม้จะไม่ใช่หน้าที่แต่เราก็รู้ว่าเรามีสมรรถภาพมีความเป็นไปได้มีความเจริญมาในะระดับขีดนั้นขีดนี้จะต้องไม่หลงผิดไม่มีมานะมานะคือความหลงผิดตัวต่วําก็นึกว่าตัวสูงตัวสูงก็หลงกว่าตัวต่ําตัวได้ขนาดเท่านั้นเท่านี้ก็ยึดติดอยู่เท่านั้นเท่านี้หลงตัวว่าเท่านั้นเทน่านี้ไม่ได้ทั้งนั้นแหละมานะก้าวเนี่ยซ่อนกันไปซ่อนกันมาผิดนะ ตัวสูงลงกว่าตัวต่ําตัวต่ําลงกว่าตัวสูงตัวเสมอตัวกัดสําคัญมันหมายว่าตัวเสมอนี้อยู่เท่านี้อะไรจะงี้ไม่ได้ทั้งนั้นน่ะซ้อนไปซ้อนมาหมุนไปหมุนมาอย่าไปหลงผิดหมดนะอย่าไปหลงสภาพต้องรู้สภาพรู้สภาวะที่แท้จริงแล้วก็พัฒนาอยู่เรื่อยให้มันสูงขึ้นไปเสมอเสมอเสมอเสมอโสดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทานาคาเสมอนาคาอรหันต์เสมอสมอรหรันต์ไปเรื่อย รู้ความจริงตามความเป็นจริงมีญานสอดสองมีญานรู้โสดาคุณเป็นอย่างนี้อย่างนี้อนี้ก็รู้ชัดรู้เจนไม่ใช่ว่าให้คนอื่นเมื่อใดมาโกหกหลอกลวงมาทําเป็นรู้ดีมันต้องปัจจิตังเวทิตโภวิญญูหิมันต้องตนเองรู้ตนของของตนเห็นของตนรู้ของตนอ่ะอหเมตังนชานามิอะหเมตังนปัสสามิติรู้ของตนเห็นของตน อาหังนี่ก็ตัวเองเหมือนกันรู้ตัวรู้ต้นชานะปัสสาอะไรก็รู้ชานะรู้ปัสสาเห็นรู้เห็นตนว่าตนได้ตนเป็นตนมีมียานทัศนะเข้าใจแม่นถูกเอออันนี้ได้แล้วนะอันนี้ยังเหลืออยู่น้อยอันนี้เป็นอนุสัยกิเลสอันนี้เป็นปฤยุทธานกิเลสอันนี้เจริญแล้วคล่องแคล่วแล้วพังพร้อมบริการงานเจริญได้ดีมีอะไรดีมีอะไรเจริญ มันง่ายมันเบามันว่างแล้วมันก็เจริญงอกงามเป็นผู้ที่มีมีบุญอยู่ตลอดเวลานีมีความขยันมันเพียรมีความค้นคว้ามีการสร้างสรรค์เป็นคนมีคุณค่าเป็นคนสปายะเป็นบุคคลสปายะอยู่ไหนไปไหนก็เป็นตัวเจริญทั้งนั้นเป็นตัวไปคนเรารู้ว่าดีคืออะไรเนี่ยมันโดยสามมันสํานึกโดยสามันปัญญา มันก็รู้ว่าดีคืออะไรทีนี้จะดีละเอียดลึกซ้อนอย่างไรอย่างไรเนี่ยอัตมาอธิบายแล้วก็คงฟังก็เข้าใจทีนี้เป็นจริงขนาดไหนขนาดไหนเราเป็นได้ขนาดไหนเราบกพร่องอยู่เรายังไม่เจริญอยู่ขนาดไห น, นจะเป็นผู้เดินไปดีดาเนินไปดีนับวันนับเวลามีแต่ก้าวหน้ามีแต่เจริญยังไงยังไงยังไง จะเห็นได้ว่าคนเรามีอัตตามีกิเลสมีความขี้เกียจมีความเห็นแก่ตัวมีภพมันอยู่ในภพของเรามันจะเอาอยู่แค่นี้เป็นแต่แค่นี้มันไม่พยายามก้าวหน้าน่มันเฉยมันช้ามันได้อะไรมาพอสมควรแล้วมันก็ประมาทกลายเป็นคนเสพคนติดเป็นเทวดานิกายใดนิกายหนึ่งอยู่นั่นแหละ ภาษาคําว่าเ ท, เทวดานิกายใดยนิกายหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ตื่นนะเป็นเทวดานิกายนั้นเป็นเทวดาหมูนั้นไม่เปลี่ยนหมู่ไม่เจริญขึ้นเทวดามีสภาพพัฒนาจเจริญขึ้นไปเป็นเทวดาจตุมหาราชิกาเป็นเทวดาดาวดึงไม่ใช่ดวก่อนดาวดึงจตุมาจตุแล้วเป็น ดาวดึงเป็นดาวดึงเป็นยามาเป็นเทวดา ด, าดุสิตาดุสิตศีละปรินิ ม, มปรินิ ม, มานนิ ม, มานรดีนิ ม, มาริ ม, มานรตีแล้วก็ปรินิมิวตวสวัตีเป็นเทวดาที่ต้องมีจิตวิญญาณที่พูพูมิสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จตุมหาราชิกาก็เป็นผู้ที่เก่งรอบสี่ทิศนะเป็นดาววัดึงก็ได้สเวสเวยเสวยประโยชน์สเวสวยสวรรค์นะยามมาอะไรเฝ้าอยู่ดูรักษาไว้นะก็หมายเขามาก็ตรวจตรา เป็นผู้เจริญที่มีคุณธรรมอะไรไรายแค่ไหนก็มีแค่จริงแล้วก็เลื่อนขึ้นไปสู่ตุสิตาแต่เราก็ลืมลืมหมดแล้วพยัญชนะฮะเสพสมสุขสมได้สเสบยผลสิ่งแรกมันจะติดนะติดจนกระทั่งหลงไหลผิดถ้าเผราอว่าวันทิฐิที่ไม่ดีมันก็จะกลายเป็นเทวดาติดเทวดาติดแป้นเป็นเทพนิกาย แต่ถ้าเพราอว่าเราเข้าใจแล้วว่าจะต้องเจริญขึ้นสิ่งเหล่านี้ท่านเตือนไว้ทางนั้นเลยความหมายต่างๆนานาเนี่ยรักษาอย่าให้มันเสื่อมเสพสมก็อย่าไปเสพสุขเสพสมนิมานตรตีอะไรก็ ต, ตรวจตราให้มันละเอียดลอะออปรินิมิตละปรินิมิตสวัตตีเป็นอุปทาน ถ้าเราไม่เข้าใจในส่วนที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นฮะเป็นอย่างไม่ถูกต้องมันก็ไม่ก้าวหน้ากลายเป็นเทวดาติดนิกายติดระดับนั่นเองเทวดาซีศูนย์เทวดา C ีหนึ่งเทวดา C ีสองก็เป็นนิกายอยู่เก่านี่ยนะไม่เพื่อนไม่เลื่อนฐานไม่เลื่อนภูมิไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เล่นพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยเรื่องราวต่างๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่น มันติดอยู่อย่างงั้นจริงๆมันช้ามันนานนะมันช้ามันนานมันแช่มันคุณสังเกตอ่านจิตตัวเองมั่งไหมก็จิตเราจริงนะมันมันได้อร่อยหรือว่ามันได้ฐานแล้วมันก็ติดฐานติดแปนอยู่แค่นี้มันก็เออมันก็ดีนี่ที่จริงมันก็จริงมันเป็นสุขนะมันเป็นความลาบากน้อย มันลดความลําบากแต่ก่อนนี่มันลําบากมันทุกข์ร้อนนักเกินยิ่งมีองค์ประกอบครบพรอมแล้วยิ่งอยู่กับหมู่กับฝูงคนนั้นคนนี้เอหนุดเอน็นดีอะไรก็แวกก็ล้อมและคนที่เขาเจริญก็ก็ยิ่งดีเขาก็เจริญเขาก็เือกเอือกนุนมันเหมือนกับเอ็เด็กที่อยู่กันในครอบครัวที่มีพี่เลี้ยงที่มีพ่อมีแม่ขยันดีงามไอ้เด็กที่มันไม่เดียงสามันก็เล่นไประเริงไปไม่ต้องค้นคว้าอะไรไม่ต้องเจริญเหมือนอย่างนั้นน่ะ ยังอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่มีคนดีครอบครัวที่มีมิตร ด, ดีสหายดีครอบครัวที่มีพ่อดีแม่ดีพี่ดีน้องดีเขาขยันมันวิน่งเขาหมดแล้วไอเราก็ไม่ขนขวายก็เลยอาศัยอยู่ได้ยังไงยังไงก็อยู่ได้มันก็เลยเข้าพบอัตตาเข้าพบขี้เกียจเข้าพบเห็นแก่ตัวเข้าพบละเริงเล่นหลงแล้วเราไม่เ จ, จ, ะ, จะเจริญอะไรเลยอ มันต้องส่งไปเหมือนกับอาตมาถูกแม่ส่งไปอยู่กับคนเขาให้เขาใช้เป็นคนใช้เลยนะมันดีมากเนี่ยส่งไปอยู่กับคนอื่นดีไหมจริงๆแนละ้วที่พูดเนี่ยอาตมาพูดเนี่ยเทศเตือนให้ให้สำนึกเ่ยมันไม่มีใครช่วยเราได้มากกว่าเราเองช่วยเราเองหรอกถ้าเราไม่สํานึกถ้าเราไม่พยายามขับตัวเองเคลื่อนตัวเองขดขวายตัวเอง ไอ้การขนขวายในยากมันยิ่งมีสปายะมากมันเหมือนกับเรารเหมือนกับเมืที่อาตมาตํตำหนิประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมันเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ทรัพยากรดีอะไรก็ดียังไม่คับยังไม่แคบยังมีแผ่นดินยังมีอะไรอะไรต่างๆนาน า, น า, นานอีกเยอะแยะแล้วมันก็เลยละเริงขี้เกียจมันไม่มีอะไรมาเร่งรัดมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอย่างที่อาตมาว่ายกตัวอย่างเปรียบเทียบมันไม่เหมือนญี่ปุน่น มันก็เลยกลายเป็นคนขี้เกียจขี้ครานอยู่เนี่ยแหะมันไม่ถึงที่ถึงตายหรอกแล้วลมันก็เลยไม่ทําอะไรมากมายอยู่ยังไงก็อยู่ได้ไม่ตายไม่อดตายไม่ไม่เหมือนเอธิโอเปียมันยังงั้นจริงๆเนี่ยเราก็เหมือนกันเป็นเหมือนเมืองเป็นเหมือนประเทศไทยเป็นเหมือนเมืองซ่อนอยู่อีกซ่อนสภาพอยู่เสร็จแล้วเราก็มีพี่มีน้องมีคนนั้นคนนี้ขยนันเขาข้าคนควายคนได้ดีก็ดีไปไอคนที่สํานึกไม่ดีก็เลยตกต่ําไป คนสำนึกดีก็ได้ต้องภาคเพียงขึ้นนะอย่าเป็นเทพนิกายอย่าเป็นเทวดาติดแป้นอย่าเป็นเทวดาติดฐานไหนฐานนั้นแล้วก็ไม่เลื่อนชั้นเราต้องเจริญเจริญเจริญยิ่งยิ่งยิ่งยิงก้าวหน้าสุขโตสมขโตเจริญอยู่ทุกขณะทุกนาทีทุกวินาทีต้องมีสำนึกต้องมีเพียรต้องมีพยายามภาคเพียนให้มันตัวเองต้องวิริยะอุสาหะพยายามพัฒนาตนเองขึ้นไปมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะ เ ร, เรื่องใหญ่ที่คนจะรู้จะรู้ตัวรู้ตนแล้วก็พยายามบังคับตนเองเพียรให้แก่ตนเองขับเคลื่อนในตนเองจเจริญขึ้นไปมันยิ่งมีฐานอาศัยที่ไม่ต้องมีอะไรมากแล้วก็อยู่รอดมันก็เลยกลายเป็นประมาทนี่แหละคือความประมาทที่เนียนลึกซึ้งแสดงมันก็ไม่ไมจเจริญเร็วเท่าที่ควรเพราะคนที่มาใหม่ๆนี่นะ เขายังก้าวไม่ถึงฐานที่พวกเรามีเป็นฐานระดับหนึ่งเขายังเขาเองเขาอยู่โลกโล ก, โล ก, โลกพอมาถึงกับพวกเราเนี่ยคนพวกนี้พวดพลาดเลยนะเห็นความเจริญที่ชัดเจนพอมาถึงพอใกล้ๆกันกับพวกเราฐานชักจะพอๆกันเป็นเทพนิกรายเดียวกันอ้าวแล้วชักเฉยละชักอึดจุดอึดุดอุแล้วไม่ค่อยจะก้าวแล้วทีนี้เป็นเรือๆๆๆเรือเกลือเรือเกลือที่บรรทุก เปล่มแปลเลยนะโอ้โหไอเรือคนไฟทีิลากกัแรงน้อยนียอาตมาเป็นเรือคนไฟทีท่ิลากแรงน้อยอดันอื้อไม้ใบพัดนี่เล่นเครื่องจะใบพัดขาดแล้วนะร้อนเรือเลือนีออ่หนักอื้อมันอยากเคลื่อนแล้วติดอยู่ตรงเนี้ยติดตั้งอยู่ตรงเนี้ยแช่อยู่ตรงเนี้ยนะ กระเทือนบ้างไหมพูดอย่างนี้อ่กะก็เทือนกันบ้างไหมหความเจริญของเรามันจะต้อเจริญไปอีกนะจะต้องพัฒนาไปอีกเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าต้องต้องขับเคลื่อนตัวเองนะสำนึกตัวเองนะพยายามภาคเพียรจริงๆนะเอาฟังทำอีกสูตรนึงนะ ธรรมะที่เป็นใหญ่คือปัญญาเทียบด้วยราชสีชื่อหัวเรื่องว่างั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ดิรกชานเหล่าใดเหล่านึงก็ตามราชสีผู้เป็นพญาเนื้อย่อมกล่าวได้ว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นโดยกำลังโดยฝีเท้าและด้วยความโดยความกล้า ธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้เหล่าใดเหล่าหนึง่งเออในนี้เขาวงเล็บไปด้วยนะธรรมะเหล่าใดที่เป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้นี่วงเล็บ ว, ว่าโพธิปขียธรรมนั่นแน่บางแห่งเรียกว่าโพธิปคิกะธรรมโพธิปคิกะธรรมคิกะรคียะนะโพธิปขียะธรรมหรือโพธิปคิกะธรรมนะนะครบางทีเขาก็เรียกว่าโพธิปคิกะธรรม ก็รู้นะธรรมะที่เป็นไปนี่เขาคงเล็บส่วนเองธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้คือโพธิปักเย่ธรรมเราใดเหล่าหนึ่งก็ตามปัญญรียย่อมกล่าวได้ว่าเลิศกับธรรมะเหล่านั้นในทางเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ดูความพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้มีอะไรบ้างความที่เป็นใหญ่คือความเชื่อ สตินสีส izi. เป็นธรรมที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ธรรมะที่เป็นใหญ่คือความเพียรวิ ร, ริยินรียก็เหมือนกันเป็นธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้ความระลึกได้สตินสี izi. ความตั้งใจมั่นสมาธินสีและปัญญาปัญ ญ, ญินรียเป็นธรรมะที่เป็นไปในฝ่ายแห่งการตรัสรู้ย่อมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ อินรีห้าพละหาเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจประมัดหรือผู้เป็นครูสอนไม่เข้าใจประมัดนะอธิบายไม่ออกหรอกศรัทธาก็ไปอธิบายเป็นศรัทธาโลกโลกง่ายๆวิริยะก็ไปเป็นอธิบายวิริยะโลกโล ก, โลกสติก็เป็นสติธรรมดาสติโลกโลกมันไม่ได้เป็นสติสัมโพชฌงสมาธิก็เอาเลยไปเลยทีนี้สมาธิก็ไปเอาสมาธิฤาษีเข้ามาผนวกเลย ปัญญาก็เป็นความเฉโกปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแบบไม่เข้าร่องเขารอยถ้ามไม่รู้มันไม่ได้อะไรหรอกนะและปัญญาที่พูดนี่แหละขณะนี้ที่กําลังอธิบายในกําลังเสริมทิฏฐิเสริมความรู้เสริมปัญญาเสริมความเข้าใจให้ฉลาดเข้าร่องเขารอยเพราะถ้าเบอกว่าปัญญาหรือปัญญินทรีย์ที่เริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิ เริ่มต้นด้วยความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องแม้จะเป็นเพียงปัญญาในระดับสุตตะมยปัญญาเป็นปัญญาในระดับเพียงฟังรู้เข้าใจเป็นแค่สุตตะมยปัญญาก็ตามเป็นอำนาจเป็นปัญญีสีอย่างที่ท่านตรัสเนี่ยแปว่าสัตว์ใดในโลกมันมอกัตรชาชสีที่เลิศ ก, กว่าสัตว์ใดๆปัญญีสีเป็นตัวเลิศ เพราะฉะนันมาธิทิฏฐินี่เป็นส่วนของปัญญาเป็นส่วนของปัญญินสีเป็นตัวเลิศถ้าเผื่อว่ามันไม่ถูกต้องจริงๆมันไม่สมาธิจริงจริงแล้วแล้วก็มันไปใหญ่เลยเริ่มต้นไปใหญ่เลยสมาธิทิฐิไม่ไม่เป็นตัวแรกสมาธิทิเหมือนกับเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นสมาธิทิิต้องเป็นตัวแรกหรือสมาธิทิและศีลศีลและสมาธิทิิซึ่งเราก็เคยได้ผ่านสูตรนี้ สมาธิทิฏฐิและศีลด้วยกันทั้งสองอันลงมือปฏิบัติก็คือศีลเริ่มรู้ก็คือสมาปฏิบัติก็คือมกอักแปดมีทิฏฐิเป็นตัวต้นลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติตัวต้นก็คือศีลมีศีลขนาดใดที่อยู่ที่เราเราก็ต้องปฏิบัติให้ได้ขนาดศีลเท่านั้นมีหลักเกณฑ์อะไรที่เราจะประพฤติให้แก่ตนนั่นแหละเราต้องมี อยู่ดีๆสุมสี่สุม5้าไม่รู้อะไรเลยไม่ได้ก่อนจะรู้ก็เป็นปัญญารู้หลักเกณฑ์รู้ทฤษฎีรู้นัน่นรู้นี่ปัญญาเป็นตัวสําคัญไปหมดและยิ่งเป็นสมาธิิฐปฏิบัติถูกตัวถูกขนาดถูกสภาพของเราดําเนินไปชอบเข้าใจทฤษฎีเข้าใจหลักที่จะเอามาปฏิบัติการเข้าใจทฤษฎีการเข้าใจหลักก็คือความฉลาดคือความรู้คือปัญญาทั้งนั้นแล้วมาทําถูกหรือไม่ถูกก็ปัญญาต้องตรวจสอบทั้งนั้น ทำได้ผลหรือไม่ได้ผลปัญญาตรวจสอบทั้งนั้นเอามันเป็นผลที่แท้นี่ละลดนายคลายเป็นวิมุตต์เลยนะเป็นอริยรัพท์ที่แท้จริงปัญญาทั้งนั้นเราติดอยู่หรือไม่ติดในขณะนี้เป็นเทพนิตรกายติดแป้นอยู่หรือไม่ติดแป้นก็เป็นปัญญาที่จะศ้อที่จะดันดุลของเราไปทั้งนั้นที่จะทําให้เราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าก็เป็นตัวปัญญาตัวปัญญาเนะี่ยจะรู้จักทั้งสต ศรัทธาคืออะไรวุติยะคืออะไรสติคืออะไรสมาธิคืออะไรตัวสัตปัญญาตัวท้ายก็คือตัวจะรู้ไปทั้งหมดนั่นแหละเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมัน่นมันเชื่ออย่างไรมันเชื่อสอดคล้องกับที่ท่านตรัสไว้ในกาัลามะสูตรหรือไม่มันเชื่อเพราะว่ากุศลใดที่ได้ทำสำเร็จแล้วสมบูรณ์แล้วกุศลนั้นแหละ เป็นสิ่งที่เราได้เชื่อไม่ไปเชื่อตามนั้นนันเชื่อตามนี้แต่ก็เชื่อตามแล้วจะบอกเรื่องประมปราก็มีเป็นส่วนที่เราจะเชื่อได้จะว่าเป็นเรื่องในตำราก็ได้จะเป็นเรื่องที่อะไรต่อะไรเนี่ยอะไรกะรามาสูตรสิบหลักอัตมาก็ไม่เคยชังจําสักทีเป็นเรื่องบอกเล่ากันมาเป็นเรื่องประมปราเป็นเรื่องอะไรมัง่ง อันที่หนึ่งเป็นเรื่องที่ทฟังฟังเชื่อแต่แค่ได้ฟังมาทำ ต, ตามกันมาถือกันเป็นประำปรามาใช่ไหมอันที่สอ ง, อนน ส, องอสืบทอดกันมามนเปนเรื่องปรำปรามอันที่สามเราดือกันมาเฉ่านั้นไอ้เราลือก็ได้ได้ยินได้ฟังนี่มันมันมีขนาดสูงกว่ากันได้ยินได้ฟังมาก็ยิงหยฟังไปเฉย แต่เล่าลือมันเหมือนกระแสเนี่ยเดทุกวันนี้กระแสข่าวเือมันเล่าลือกันมาเห่กันมาอะไรกันมาย่างี้คลายงันเห่กันมาเป็นบางทีเป็นช่วงๆมันแฟชั่นอะไรเงี้ยมันต่างกันมิรุษะเชื่อตามตามกันมาก็เป็นประำปราเป็นเรื่องที่สืบทอดกันมาแลเรื่องอะไรตักตัอ้างตำราคาดคะเนใช่ไหมอันต่อไปอันที่ห้าขาดคะเน คิดจองตามไไเหตุผลเลยคิดตรองตามหลักเหตุผลาตามตรรกศาสตร์แล้วก็อันที่หกขาดคเ น, น่นะเดาเอาขาดคเน่เอาอะไรอะไรเอาอันที่เจ็ดอะไอะมันมีอะไรก็เปรียบเทียบเอาตามที่มันเป็นไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เปรียบเอาเทียบเอาตามเทียตัวเองมีเหตุปัจจัยมีข้อมูลอะไรก็เปรียบเอาเทียบเอาเฉยๆที่ททจะมัน ก็ทั้งนั้นเลยใช่ทั้งนั้นอ่ะอ่าอันที่แปดอะไรเข้ากันได้กับความเข้ากันได้กับความเห็นของตนอันที่เก้าอ่ามันเป็นแต่เพียงดูนิดนิดหน่อยหน่เป็นที่น่าเชื่อถือเดี๋ยวนี้เยอะนะคนที่ทำถามันน่าเชื่อถือนี่ถูกต้มถูกหลอกมาเยอะแล้วอ่ามีมาดดีมีอะไรดีนะไอ้พวกนี้นี่เยอะอันที่สิบก็แม้แต่เป็นครูของเรานะอันที่สิบจำได้แม่นนะ อันที่9านี่ไม้เป็แต่ว่าเราจะดูมาดดีอะไรดีเนี่ยเอออันนี้รู้สึกว่าอาตมาจะมีน้อยเนอะอันที่ทันทีกาวเนี่ยดูดูเป็นที่น่าเชื่อถือแค่นั้นก็เชื่ อ, อคนก็ทำมาดดีมีดูแล้สสัมผัสแล้วเป็นที่น่าเชื่อถือนี่คนเขามีเยอะเนะอะอาตมาเอดูเหมือนจะเป็นคนที่มีอันนี้น้อยดูแล้วมันมน่าเชื่อถือเนะ ก็ไม่เป็นไรแล้วนะพูดที่เขาเข้าใจเองเขาก็รู้ว่ามันเป็นที่น่าเชื่อถือหรือไม่แม้ในกลามัสูตรทั้งหมดทั้ง10บข้อเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วมันก็ทั้งนั้นแหละมันก็เชื่อเชื่อมีแบ่งเชื่อทั้งนั้นแหละแต่จะไปปักใจเชื่อดอันอย่างอันใดอันนึงเป็นดิวดิวดิวดิไปจะว่าไม่ก็ไม่ใช่นะไอ้ฟังมาก็มันก็เชื่อได้ที่มันดีมันถูกไอ้ปรำปราเก่าเก่าแก่ๆมามันก็ใช่มันก็เชื่อได้ถ้ามันดีมันถูกนะ ทั้งหมดนั่นแหละทุกแง่ทุกเชิงอ่ะทุกแง่ทุกเชิงอ่ะมัจะโยนทิ้งประเภททั้งหมดเลยไม่ต้องเชื่ออะไรเลยเอา้าวสุดท้ายแม้แต่ครูของเราก็ไม่เชื่อเลยแล้วไปทำมาอะไรเรไปเรียนอะไรกันละ่ะเนี่ยเราพาซื่อไปก็ไม่ได้มันก็จะต้องรู้ว่าเราจะเชื่อที่จริงแล้วก็จะเชื่อใช้สภาพพวกนี้มาไกลมากรองมาเรียบเรียงเอา แล้วเราก็ปฏิบัติประพฤติเป็นกุศลจนกระทั่งเกิดมักเกิดผลเกิดของจริงแล้วมันก็เชื่อเชื่อสิ่งที่มันเป็นมักเป็นผลนั่นแหละเป็นของจริงมันเกิดความเชื่อตามที่อาตมาว่าอาตมาขยายว่ามันเชื่อฟังไม่เชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นเนี่ยนะอาตมาว่าชัดดีแล้วนะฟังไปจนกระทั่งใจตรองดีเอออันนี้น่าเชื่อถือแต่มันก็ยังไม่มีฤทธิ์แรงศรัทธานั้น สูงขึ้นสัตทินรียมันยังไม่สูงขึ้นถึงขั้นว่าเอเราน่าเชื่อถือแล้วมันน่าลองพิสูจน์หน้าปฏิบัติตามไหมละ่ะถ้ามันถึงขีดนั้นนะเราจะลงมือปฏิบัติตามเรียกว่าเชื่อฟังเมื่อปฏิบัติตามในความเพียรปฏิบัติตามในความอุสาหะมันอยากปฏิบัติเลยนะมันเห็นดีเลยมันก็ปฏิบัติภาคเพียรเอาแม้ยากแม่เย็นก็เอาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆเลยนะมันก็จะได้จึงได้จริงได้จริ ง, รงขึ้นมาเรียกว่าเชื่อฟัง เมื่อมันได้ผลไปมากพอจะถึงรอบถึงขีดถึงเขตเป็นกุศลอันสมบูรณ์มันเชื่อมั่นเลยแต่เนี้ยทัดทินรียเป็นศรัทธาพระอันเต็มรูปมันเชื่อมั่นเลยมันสั่งสมความจริงอย่างนั้นอ่ามันก็ประกอบไปด้วยปัญญาศรัทธาก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญาเราก็จะรู้ว่ามันยังไงมันถึงขั้นเชื่อถือยังไงถึงขั้นเชื่อฟังในตัวเรานี่แหละยังไงถึงขั้นเชื่อมั่น ไอ้ตัวเชื่อมั่นนี่มันมันม่นจริงๆนะจะบอกว่าหลงจะบอกว่าติดอะไรก็ตามใจเถอะมันเชื่อเชื่อมั่นแล้วเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราดื้อด้านอะไรจะอ่อนน้อทมทำตนจะยอมจริงๆถ้าเผื่อมันถึงครั้ ง, ถ, ง, งถึงคราวต้องยอมก็ยอมได้แต่จะยืนหยัดยืนยันตรงสุดท้ายมันยอมไม่ได้ต้องเสียชีวิตด้วยเพื่อแหล ก, ก็ธรรมะมันก็แหลกแต่จะเสียสละไปเป็นขันขัน<ๆ><ๆ>เสสลอววะอวัยวะเสสละไปเป็นระดับเสียทรัพ เพื่อรักษาวายวาสเสวะวายวาเพื่อรักษาชีวิตสุดท้ายจะเสียชีวิตเพื่อรักษาธรรมมันก็เป็นไปตามธรรมตามขนาดนะมันจะอยู่ในโลกเพื่อที่จะเกิดคุณค่าประโยชน์เนี่ยมันก็จะต้องมีตัวเสียสละบ้างเพราะคนเรามันมากมีความเห็นแก่ตัวมันมีความเห็นแก่ตัวความเห็นของตนเองจะมีสภาพของวิริยะก็จะต้องมีปัญญารู้ว่าอย่างนี้เราวิริยะหรือไม่ ถ้ามันไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่าเราวิริยะหรือไม่มันไม่ได้ตรวจสอบมันก็ไม่ได้ใช้ปัญญามันก็ไม่ได้ใช้ตัววินิจฉัยถ้าเราใช้ตัวปัญญาตัววินิจฉัยตรวจสอบจริงๆตรวจสอบวินิจฉัยก็โดยปัญญาของเราเนั่นแหละมันเป็นตัวใหญ่จริงๆนะเป็นตัวอย่างที่ท่านว่าเลิศ ก, กว่าสัตว์ใดเลิศ ก, กว่าสภาพอะไรแต่ออไรในชีวิตที่จะต้องดำเนินไป แล้วทุกวันนี้ไปเข้าใจเชกคตาเป็นเปรเป็นเช็โกเชกะเป็นปัญญาความเฉลียวฉลาดแบบโลกโกเป็นปัญญายกย่องเชิดชูกันเหลือกเกินนะมันปัญญาอย่างนั้นมันไม่ผาพ้นทุกมันมันไม่ไปไม่เป็นปัญญาที่จะทำให้เป็นวิชามันไม่มันเป็นอวิชามันไม่เป็นปัญญาอย่างวิชาอาวิชาแปลว่าความรู้ที่มันไม่พาพ้นทุก อาตมาแปลงเงี้เดี๋ยวก็มาเอาอาตมาตายกับทำให้วิทำเอาเวไนวิปริลตอีกละที่จริงยิ่งเข้าเปล่านะไม่วิปริลตเลยขอยืนยันอาวิชานเนี่ยแปลว่าความรู้ที่ไม่พาพ้นทุก์ที่ไม่พาตรัสรู้อริยสัจสีเพราะวิชาคือตัวที่เป็นความรู้ที่ตรัสรู้อริยสัจสี่เนี่ยเรียกว่าวิชานี่แต่ว่าจํากัดความเข้าอย่างแคบ เพราะความรู้ใดๆที่มันไม่เป็นไปเพื่ออริยสัจสีตรัสรู้อริยสัจสีแล้วเราก็ไม่ใช่ปิชชาเป็นอวิชชาทั้งนั้นน่ะแต่อวิชชาเป็นความรู้โลกๆเราก็ใช้อาศัยบ้างแต่อย่าไปหลงผิดว่าเราจะไม่รู้อวิชชาเราไม่จะไม่รู้อวิชชาหมายความว่าเราจะไม่รู้ปัญญาเราจะไม่รู้ความเฉลียวฉลาดเราจะไม่รู้อะไรโลกๆมีโลกวิทูมีความรู้ของอับอื่นเขาด้วยเรามีความรู้ที่จะรู้มาอาศัย ในชีวิตเราก็มีทั้งความรู้ที่อาศัยสั่งสันมีความชำนาญมีความรู้อะไรเป็นโลกิย ะ, ะเป็นโลกิยะเราก็มีแล้วเราก็ใช้แม้จะเป็นความรู้ทางโลกิยะเราก็เอามาใช้และซ้อนกับโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่มันเป็นไปเพื่อบุญเป็นไปเพื่อความดีงามทั้งนั้นเลยไม่ได้เป็นบาปไม่ได้เป็นนี่ ซ้อนกันอยู่ในนั้นเราจะมีความภาคเพียรเราจะมีสติสติอย่างไรเป็นสติที่มันสูงสติสัมโพชงสติที่มันมีคุณค่าสติก็แบ่งก็บอกอธิบายขยายความไ่ฟังแล้วสมาธิอย่างไรเป็นสมาสมาธิเป็นสมาธิสัมโพชงเป็นสมาธิที่มันมีองค์แห่งการตรัสรู้สมาธิที่เขาหลักเขาเกณฑ์สมาธิที่มัน มีคนมาถามัาตมาอยู่เหมือนกันพวกเราเนี่ยบอกว่าเจโตสมัะยังคล่องในเจโตสมัะเนี่ยมันเป็นยังไงเจโตสมัะถ้าโดยนิยามโดยการกับจำกัดความเจโตสมัะก็คือสภาพที่เป็นนั่งหลับตาเป็นสมาธิเอาแล้วเกิดสมัะเกิดสมัะอยู่ในภพในภวังเกิดความสงบระ ง, งับในการกระทำอย่างนั้น ทีนี้ของพุทธเนี่ยมีเป็นบอกว่าบุคคลที่มีโลกุตระแต่ไม่มีเจโตสมถะก็ต้องเข้าใจว่าเออจริงไม่มีเจโตสมถะอย่างที่เธอเป็นนั่งทําเอาอย่างนั้นได้เหมือนกันแต่มีโลกุตระถ้ามีโลกุตระถึงขั้นระดับสูงสุดเป็นพระอระหันต์โดยไม่มีเจโตสมุท t มันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นอย่างนั้นได้แต่มันก็เป็นอุปการะนะทีนี้คําว่าสมุท tha ในของพุทธมีไหมมีสิ ถ้าเป็นโลกุตระก็ต้องมีสมถะสมถะมันก็หมายถึงความสงบระงับการสงบระงับของกิเลสแต่มันไม่ได้หมายความว่าไปกดข่มเอาในลักษณะวิธีการอย่างนั้นแต่เป็นการสงบระงับของกิเลสจริงๆที่รู้จากกิเลสโดยปฏิบัติทางมรรคองคแปะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ฆ่ากิเลสตายจริงๆมันสงบจนไม่เกิดอีกอ่ะมันเป็นผลของโพธิปักยธรรม เป็นผลของการปฏิบัติทางปฏิบัตินี่แหละมรรคองแปดของพ ร, ระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทานี่แหละนี่ทุกนิโรธคามินีปฏิปทานนี่เป็นทางอันเอกนี่แหละปฏิบัติแล้วมันก็สงบระ ง, งับจะเรียกว่าสมถะแปล ว, ว่าความสงบก็คือภาษาไทยจะเรียกเป็นภาษาบาลีก็สมถะจะเรียกปัจสถานก็ได้ก็สงบระ ง, งับเหมือนกัน สังสงบระงับโดยที่มันลดกิเลสลงลดกิเลสลงด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วมันลดอย่างถาวรมันลดอย่างจริงๆมันจับเนื้อจับตัวออกมาสลายฆ่าตายประหารตะาได้จริงๆหมดเชื่อหมดตัวเหตุปัจจัยหมดเชื่อหมดเหตุจริงจหมดเหตุหมดปัจจัยอย่างสมบูรณ์เมื่อถึงขั้นสมบูรณ์นะมันก็สมบูรณ์อย่างนั้นจริงๆ มันมีความสมามงบมันมีความสงบระงับและสงบระงับอย่างถาวร iah. สงบระงับอย่างรู้แจ้งเห็นจริงโดยไม่จะสงบระงับชั่วคราวไม่จะสงบ ร, ยยงรงะงับโดยมารู้นารู้ตารู้ด้วยว่านี่ตัวมันใหญ่ น, ะนี่ตัวมันกลางๆลนี่ตัวมันเหลือเล็กๆน้อยๆพลิ้วพลาๆตัวมันอ่อนๆจางๆและตัวมันรู้ได้ยากเพราะว่ามันเหลือหลอดเป็นตัวจรเป็นตัว ละเอียดเป็นตัวทุลีละอองเป็นตัวที่เล็กที่ยากที่จะรู้แต่ก็รู้มันจนได้จนสะอาดหมดจดว่ามันไม่เกิดอีกไม่มีอีกไม่เป็นอีกเลยจะอยู่ในสภาพธรรมชาติที่มันถูกกระทุ้งกระแทกกระเทือนถูกยั่วถูกยวนถูกหลอกที่ไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้เตรียมตัวมันย่อมมีโอกาสที่จะเผลอเกิดได้แม้ควรจะเลอเกิดมันก็ยังไม่เกิด มันจะมีตัวเราเนี่ยจะรู้ว่าเออตอนนี้มันน่าจะเผลอเผลอแล้วมันน่าจะมันน่ามันถูกแย่ถูกอะไรมันน่าจะเกิดนะเ อ, อ๊ะก็ไม่มีแล้วเราจะมั่นใจตัวเราเองนะว่าในตลอดทุกๆในอิรยิยาบถทุกๆในการละทุกๆในประสบการณ์มีองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนี้ครานั้นครานี้อย่างนั้นอย่างนี้มากครั้งมากคราวเข้าเราก็จะรู้ตัวว่า เออไม่ได้ตั้งอกตั้งใจไม่ได้เจตานาเพลิดเไพ ร, พ ร, พ ร, พรไม่ได้รับรู้มีสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทําให้เกิดแต่มันก็ไม่เกิดนะมันจะรู้เองมันจะมั่นใจเองนะเพราะเราเองเนี่ยมันจะปฏิบัติทำตามธรรมชาติยมันจะมีธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนี้เราประกอบตัวเราประกอบชีวิต ปฏิบัติธรมอยู่ตลอดเวลาสตินซีมันแข็งแรงแข็งแรงสตินี่มันแข็งแรงและมันก็มีตัวแข็งแรงตัวมีตัวองค์ประกอบของคุณธรรมเข้ามาทั้งนั้นแหละแล้วมันก็เป็นตัวที่มีองค์ประกอบที่แข็งแรงมันก็มีความไม่มีของกิเลสสอดซ้อนกันสมครอยกันเพราะมันไม่มีตัวกิเลสเพราะมันมีองค์ประกอบที่แข็งแรงเพราะมันเป็นฐานที่สร้างใหม่ เป็นาธาตุใหม่ในตัวเรามันจึงเกิดความสมบูรณ์ตั้งมัน่นแต้มันก็เป็นจริงมันชัดที่สุดเลยอย่างทฤษฎีพระพุทธเจา้าเนี่ยมันชัดมันไม่มีอะไรบกพร่องมันครบครันมันเห็นจริงไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณต้องไปสูตร ต้องพยายามปฏิบัติพิสูจน์แล้วคุณก็จะเข้าใจอาตมาพยายามใช้ภาษาอธิบายลักษณะต่างๆอะไรอะไรที่จะคุณจะเอาไปใช้อาตมาบอกอาตมาได้เอามาใช้ของตัวเองเอามาพูดให้ฟังนี่ใช้ของตัวเองเราตรวจสอบเราก็ได้พิสูจน์ตัวเองอย่างไรตรวจสอบตัวเองอย่างไรมันมีอย่างไรมันทําให้เรารู้เราเห็นอย่างไรอยู่กันทุกวันนี้อนุณเอนีมันกระทบสัมผัสเราตลอดเวลาแนละโลกียะเมวลาบยศสันเซิญโลกียสุขมัน สัมผัสเราตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็อยู่กับมันนี่แหละสัมผัสสัมพันธ์มันจะแรงจะเบามันจะมาทีเพลอทีตั้งใจสู้กับมันทีไม่ตั้งใจมาในสภาพมีเล่มีเลส ม, มีอุบายหลอกมันก็หลอกเก่งมาทั้งนั้นสารพัดสารเพชใช้เหลี่ยมใช้ครูอย่างโน้นอย่างนี้มาเราก็รู้เท่าทันถ้าให้กิเลสเกิดไม่ได้ อยู่กับโลกนี้เหนือโลกจริงๆโลกสารพัดโลกสารพัดเล่เหลี่ยมสารพัดวิธีการสารพัดทุกอย่างมันก็ทําให้เราเกิดกิเลสไม่ได้เราจะมั่นใจเราจะแน่ใจของเราเองเราจะมีประสบการณ์ของเราเองตลอดเวลาถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีสติปัญญาตรวจตราดูรู้อยู่มันก็จะได้ตรวจสอบมันก็ได้ปฏิบัติมันก็ได้รู้ได้เห็นของจริงของเราอยู่ตลอดเวลา ถึงข้อสําคัญสติสัมโพชฌงสติปัฏฐานเนี่ยอย่ามีสติตกรู้ตลอดเวลาวิจัยแล้วก็ตรวจดูตลอดกาลกาลเวลากระทบสัมผัสเมื่อนัน้นเมรีตาหูจมกูกลิ้นกายมีอิริยาบถกายวาจาใจของเราก็ตรวจสอบของเราตลอดมันจะได้ปรับมันจะได้รู้มันจะได้เห็นความจริงเห็นของจริงเราตลอดเวลาแล้วเราก็รู้ของเราเราจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจเราก็จะหลอกตัวเองทําไม ปัญญามันก็จะสูงขึ้นปัญญินทรีย์ปัญญาพละมันก็จะสูงขึ้นมีฤทธิ์มีแรงมากขึ้นมีประสิทธิภาพของความเป็นปัญญาประสิทธิภาพมันสูงขึ้นจริงแนละ้วมันก็อะไอ่านของจริงความจริงเป็นญาณ น, นั่นเองเป็นญาณทัศนวิเศษ Salesforce นั่นเองอธิปัญญาหรือว่าปัญญินทรีย์ปัญญาผลที่มันจเจริญขึ้นเนี่ยก็คือสภาพของญาณทัศนวิเศษนั่นเองมันจะรอบรู้ รอบรู้สัตธ์จะท ร, รอบรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่ยิ่งใหญ่รู้อย่างนี้แหละรู้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปรู้วิธีการสร้างจรวดวิธีการออกนอกโลกวิธีการสร้างปรมาณูวิธีการหาเงินให้ได้ร่ำรวยมีแสนล้านมีล้านล้านมีอะไรตัวใดโอ้อาตมาไม่เห็นมันยิ่งใหญ่อะไรเลยถ้าใครจะมีวิชาการมาสอนในอาตมาเนี่ยเอามาละ ภายในหปีนี่จะรวยล้านล้านี่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาตมาไม่เรียนน่ะไม่เรียนละอาตมาไม่เอาเวลาไปเรียนอาตมาจะเอาเวลามาทํางานอันนี้แล้วก็มาพัฒนาสิ่งนี้กันอาตมาเสริมอาตมาสอนอยู่อาตมาก็ได้ปัญญาเจริญอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าอาตมาทํางานกับพวกคุณเนี่ยอาตมาตกต่ําอาตมาไม่ตกต่ํานะอินทรีห้าพละหอาตมาก็สูงขึ้น ศรัทธาสัจตินทรีของอาตมาเจริญอยู่ทุกวันน่ะปริยะองาตมาก็เจริญสติอาตมาก็เจริญมันเจริญอยู่เรื่อยแล้วมันเจริญมันไม่มีที่สิ้นที่สุดหรอกอา น, นิทัศนังอนันตังอนันตังไปเรื่อยเลยอนันตังมันเจริญจริงๆนะปัญญาก็เจริญเรืเ่อยๆแล้วว่าคุณเห็นว่าอาตมาในยิ่งนับวันก็ยิ่งโง่งลงโง่ล ง, งไม่โง่งลงอะ สมาธิก็ตั้งมั่นเจริญสมาธิความมั่นคงแข็งแรงความเป็นสัมมาสมาธิความเป็นอัติของศีลอัติของจิตอัติของปัญญาเป็นอัติทั้งสมสมาธินี่ซึ่งเขาไม่อธิบายกันอาตมาอธิบายเขาก็หาว่าอาตมาพูดเองอยู่ตลอดเวลาเขาจะไปเอาแต่อัติจิตก็ได้อัติจิตมันเจริญด้วยศีลที่เป็นสภาวะไม่ใช่ศีลที่เป็นภาษาบัญญัติ ศีลที่มันขัดเกลวให้เราปกติปกติตามศีลข้อนี้บอกว่าไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติเป็นอัตโนมัติเลยไม่โกหกไม่ลักทรัพย์ไม่มีราคะเป็นปกติอะไรพวกนี้มันเป็นสภาวธรรมมันไม่ใช่บัญญัติมันเป็นที่เราจิตวิญญาณนั่นแหละเป็นตัวเป็นอันเป็นประธานอันเป็นหลักฐานแท้ เมื่อจิตมันไม่ขาดจิตมันไม่ลักทรัพย์จิตมันมีความสมบูรณ์ของมันมันเป็นอธิจิตเป็นอธิปัญญามันเป็นตัวปัญญีสีปัญญาผลที่รู้ชัดมันจริงมันแน่แล้วมันก็ทาจนเป็นมันจนบระทั่งทรงไว้ทรงไว้ซึ่งสภาพสมบูรณ์นั้นสภาพที่เป็นไปได้อันนั้น มันตั้งมั่นแข็งแรงจะแปลเอาความหมายสมาธิแปลว่าความแข็งแรงความตั้งมั่นก็ได้แท้จริงก็สั่งสมอธิทั้งหลายนั่นแหละเกิดานเกิดไม่มีมุิในนั้นแม้กระทั่งเป็นบอกแล้วว่าสมาธิถ้าเราปฏิบัติไปจนกระทั่งถึงฌานถึงอุบเบกขามันก็เป็นจิตที่เป็นฐานนิพพาน อุเบกขาเป็นฐานนิพานแต่เราก็ไม่ได้ไปติดอุเบกขาอะไรอุเบกขาถ้าขึ้นไปติดซ้อนอีกก็เป็นอุปกิเลสอีกเป็นวิปัสณูปกิเลสซึ่งเราก็ได้เรียนมาแล้วมันไม่ได้ไปติดยึดถึงขนาดนั้นอีกนะนี่เป็นต้นน ะ, น, ะนี่ก็ทบทวนแล้วก็ย้ำวิเคราะห์ให้มันพิสดารใ้เห็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานา มีอีกสองสูตรว่าเราเราอ่านไปสองสูตรสูตรซัมโมวาณิทิเทศตอนนั้นแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะเอาใบไม้ที่เล็กๆเนี่ยไปหอ่อใบไม้ใหญ่ไปห่ออะไรแม้แต่จะเอารองรับน้ําทํากระทงรองรับน้ํามันก็ไม่ไม่เป็นไปได้ถ้าเผื่อว่าไม่รู้อริยสัจสี่ไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่แล้วจะพ้นทุกข์เสด็จจะพ้นทุกข์อย่างสมบูรณ์นั้นไม่ใช่ฐา น, นะที่จะมีได้ และปัญญี น, นีเป็นตัวยอดไม่ใช่เชกตาไม่ใช่เชกะต้องพยายามรู้นะว่าความฉเฉลียวฉลาดมันมีสองในฉเฉลียวฉลาดอันหนึง่งอัตมาก็ไม่รู้จะใช้รู้ขนาดนี้มีความรู้แค่นี้มีความรู้แต่แค่ว่าปัญญาเนี่เป็นความฉเฉลียวฉลาดต่างกับเชกกะซึ่งเป็นความฉเฉลียวฉลาดเหมือนกันแล้วเขาไม่ใช้ที่เขาไม่ใช้ก็เพราะว่า เขารู้เหมือนกันว่ามันหมายถึงความฉลาดที่มันไม่เป็นไปอย่างสูงเหมือนเกษตรถีกับกระดุมพีเนี่ยกระดุมพีแปลว่าผู้ร่ํารวยมันรู้ว่าผู้ร่ํารวยอย่างนั้นมันไม่ใช่ความร่ารวยที่ยิ่งใหญ่ความร่ํารวยแบบนั้นความร่ำรวยเห็นแก่ตัวความร่ํารวยที่ไปเทิดขู่รีดมามีวัตถุมากแต่ความร่ารวยเศรษฐีนี่มันเป็นเป็นผู้ประเสริฐร่ํารวยความประเสริฐเศรษฐโถเป็นแปลว่าความประเสริฐ เศรษฐความร่ารวยความประเสริฐมันร่ํารวยจะบอกว่าเงินว่าทองอะไรมันอยู่ในลักษณะไม่มีก็ได้มันได้มันก็พอมีอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นเศรษฐีอยู่เหมือนกันจะว่าร่ารวยมันก็ร่ํารวยคนข้างนอกเขาก็มองว่าร่ํารวยแล้วพวกเราก็อยู่ไม่ได้เป็นทุกร้อนอะไรมันก็ร่ํารวยพอมีพอกินพอใช้แต่ไม่ต้องไปสะสมกอบโกยกักตุนอะไรสิ่งเหล่านี้ก็ใช้เป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นเองอยู่ในฐานนะไม่ใช่อยากจนไม่ใช่เก็บเบียดเกษียนจนเกินการ มีความค้นขวายมีความเป็นไปได้พอสมควรไมยถึงกับฟุ่มเฟือยไม่ถึงกับซุรุ่รายต้องให้เราสํานึกอยู่เสมอว่าต้องเป็นคนประหยัดเป็นคนมัธยัติเป็นคนกระมิดกระแม <c oughs> <c oughs> อยู่ในลักษณะที่จะพาเจริญพาดีอยู่ตลอดเวลานะเพรา ะ, ะนั้นคำว่าฉลาดก็เหมือนกันเหมือนกับเศรษฐีกับ ก, กระดุมพี เขาไม่ใช้กระดุมพีมันน่าอายพอใช้ฉลาดเขาว่าโอ้คุณนี่มาเจริญด้วยเชกะเจริญด้วยเชโกเจริญด้วยเชกตาโอ้เป็นคนมีเชกะดีเชโกดีนะใครอยากฟังอ่ะเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นฉลาดแกมโกงคําว่าเชโกหรือเชกะหรือเชกะภาษาบาลีเชกกะเชกตาก็เรียนบาลีกันมาแล้วก็เติม ปัจจัยตาเข้าไปในท้ายข้างหลังก็ขยายความเป็นนามเป็นผู้ฉลาดเชกะตาก็คือผู้ฉลาดหรือความฉลาดฉลาดอย่างเชกะคนมันก็ไม่ชอบเพราะมันฉลาดแกมโกงมันฉลาดเป็นบาปมันฉลาดไม่บริสุทธิ์ฉลาดนะมีความฉลาดได้มากนะแล้วทุกวันนี้ก็พัฒนาแต่เชกะพัฒนาความฉลาดแบบนั้นไม่ใช่เป็น ฉลาดแบบปัญญาหรือปัญญาญไม่ได้ฉลาดแบบญาณแบบปัญญาไม่ได้ฉลาดแบบญาณทัศนะไม่ฉลาดแบบที่เป็นออกจากกิเลสหรือปัญญาที่พระเจ้าท่านยืนยันว่าปัญญีสีปัญญาผลปัญญิีสีนี่เป็นเอกนี่ไม่ได้ฉลาดอย่างปัญญาอย่างนี้มันเป็นความฉลาดแบบเฉกะแต่เสแล้วมาใช้ภาษาคําเดียวเลยปนกันไปหมดแล้วฉลาดก็มาใช้คําว่าปัญญาไปหมดเลยปนก็ไม่หมด เพราะอเลยต้องพูดตามเหมือนกับสมาธิเนี่ยสมาธิของพระเจ้าเนี่ยที่จริงมันควรจะตั้งชื่อขึ้นมาใหม่คำหนึ่งนะแต่เรียกเต็มก็เรียกสัมมาสมาธิแต่ไม่เรียกสมาธิพอพูดถึงสมาธิมันก็เป็นเนื้ถึงไอ้ที่มันรู้รกันมาอยู่แล้วแล้วก็ก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ดีเท่าสัมมาสมาธิอันนี้ยังพัฒนาไม่ได้พวกเราต่อไปในอนาคตพอพูดเรีสมาธิเราจะไม่ค่อยชอบใจมีสมาธิเนี่แบบนี้มันพาเราไปทางฤาษีนี่บอกไม่เอ า, เา ส, มสมบัติอย่างนี้เราไม่ชอบ มันจะไปเงนินต่อไปก็จะคล้ายๆกับปัญญาเออคล้ายๆกับความฉลาดเนี่ยแปลเป็นไทยว่าความฉลาดได้อันนี้เราก็จะไม่ชอบฉลาดอย่างเชกะเราจะไม่ชอบฉลาดอย่างปัญญาความร่ํารวยเราก็จะไม่ชอบไปร่ํารวยอย่างกระดุมพีเราก็จะไม่ชอบร่ํารวยอย่างเศรษฐีจนกระทั่งภาษานี่มันติดแล้วก็เลยไม่อีกอีกอันนึงไม่พูดกันก็เลยไม่เคยรู้เรื่องต่อไปเราใช้สัมมาสมาธิให้ติดในพวกเรา ใช้สมาธิให้ติดพระบอกสมาธิก็ใช้สมาธิแล้วระวังเนะภาษามันจะกระด้างพอเขาพูดสมาธิมาก็ตีก็โครมเลยแล้วก็สมาสมาธิตีคมเลยระวังวาจาระวังความเห็นระวังความรู้สึกความรู้สึกมันมีมานะมันมีเบ่งมีคมมีตีมีกระทบเขาเนี่ยฟังเขาบ้างค่อยๆอธิบายพออธิบายได้ก็อธิบายอธิบายไม่ได้ก็เอ้าเอาแคนะ่นั้นอย่าไปคมกันอย่าไปตีกันเลยทุกวันนี้เนี่ยมันก็สงครามมากอยู่แล้วนะมันก็จะยากนะอ่ะเอาละวันนี้พอ All right. <laughs>